ให้ที่ท่านทําอยู่ตอนนี้ท่านรู้เลยว่ามันก็ถูกบันทึกปรับจิตไว้ในภูมิไหนก็จะสะท้อนต่อไปอย่าเกิดเป็นเทวดาก็ทํากุศลแล้วก็ยึดถือเข้าไปให้มากเกิดในเทวดาพรมมนุษย์ทํากุศลแล้วก็ยึดถือเข้าไปให้มากโอ้กูทําดีกูทําดีแต่ในระหว่างนั้นอย่าลืมว่าไม่เคยทําดีอย่างเดียวเลย เคยหลงเคยเมอเคยดา่าเคยปราโมททากันอยู่ตลอดเหมือนกันถ้ายังมีเหตุเกิดก็ได้เกิดทั้งคู่แหละทั้งข้างบนข้างล่างบวกลบก็โดนทั้งคู่แหละไม่มีใครทําได้กุศลอยด์ยส่วนเดียวอยู่แล้วตราบใดที่ยังมีโมหะคุมอยู่ข้างบนมันจึงมีปุญญาพิสังขารคิดทางบุญบ้างแล้วก็อภปุญญาพิสังขาร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 จนหยุดคิดของความคิดปรุงแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอานาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุทธหรือธรรมชาติเดิมแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเพราะเรานั้น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 พอสมควรครับ